เพื่อมาทำบุญมาละบาปมาชำระใจให้สะาดบริสุทธิ์ชำละความโลกความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปและให้หมดไปเพราะเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำนี้ เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์แก่จิตใจของพวกเราเนื่องจากว่าจิตใจของพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้ถึงเวลาเขาก็จะต้องหยุดทำงานเหมือนรถที่ถึงเวลาเขาก็จะเสีย แล้วก็จะใช้การไม่ได้ร่างกายของเราสักวันหนึ่งก็ต้องหยุดทำงานคือหยุดหายใจเข้าออกแต่ใจของเราผู้ควบคุมร่างกายผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราไม่ตายแต่ใจของเรา ยังต้องไปเกิดใหม่ถ้าเรายังไม่ได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความโลภความโกรธความหลงเป็นเครื่องผลักดันให้เราต้องไปเกิดใหม่แต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราทำบุญไม่ทำบาปถึงแม้ว่าเรายังไม่สามารถ ทำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็จะได้ไปรับผลดีไม่ต้องไปรับผลไม่ดีเพราะการทำบุญนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ใจของเราได้รับความสุขได้รับความเจริญเช่นตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดบุญสวรรค์ชั้นต่างๆ ถ้าเราไม่ทําบาปถ้าเราทําบาปเราก็ต้องไปใช้บาปในบายบาไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างเป็นผลที่เกิดจากการทําบาปทั้งนรกและสวรรค์นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นไม่ได้เป็นสถานที่ อย่างที่เราคิดกันแต่เป็นสภาว่าของใจเวลาใจทำบุญใจจะมีความสุขความเย็นสบายอย่างที่ท่านทั้งหลายเป็นอยู่ในขณะนี้เป็นอริสสงของการทำบุญพอใจเรามีความสุข ใจเรานี้ก็กลายเป็นสวรรค์ขึ้นมานี่คือสวรรค์ในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ท่านบอกว่าอยู่ในใจของเราเช่นเดียวกับนรกก็อยู่ในใจของเราเวลาเราทําบาปใจของเราจะรุ่มร้อนจะกะวนกวายกสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกัวงวล วาวุ่นขุนัวอย่างนี้ใจของเราก็เป็นนวกขึ้นมานี่แหละคือนรกและสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราขึ้นสวรรค์และตกนรกทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วขณะที่เรามีชีวิตอยู่ นรกสวรรค์ก็จะสลับกันไปตามเหตุคือบุญหรือบาปที่เราทำกันเวลาเราทําบุญเช่นวันนี้ใจของเราก็เป็นสวรรค์เวลาเราไปโกรธแล้วเราไปทําร้ายผู้อื่นใจของเราก็จะเป็นนรกขึ้นมาทั้งบุญทั้งนรกและสวรรค์ที่เราได้สร้างได้ผลิตกันใน ปัจจุบันนี้ก็จะเข้าไปสะสมในบัญชีของบัญชีสวรรค์และบัญชีนรกเหมือนกับเราเอาเงินไปฝากในธนาคารหรือไปกู้หนี้ยืมสินจากธนาคารมาเขาก็จะมีบัญชีของเราจดไว้เเอาเงินไปฝากก็อยู่ในบัญชีเงินฝาก เราไปกู้เงินจากธนาคารเราก็มีบัญชีเงินกู้ที่เราต้องใช้นี่ต่อไปพอเราตายไปบัญชีทั้งสองบัญชีนี้ก็จะมาเทียบกันดูว่าบัญชีไหนมียอดมากกว่าถ้าบัญชีบุญมียอดมากกว่าเราก็ไปรับผลบุญก่อนเพราะว่ามีกำลัง ดึงใจให้ไปในทางของบุญคือไปทางสวรรค์ถ้าบัญชีบาปมียอดสูงกว่าบัญชีบุญบัญชีบาปนี้ก็จะลากหรือส่งให้ใจของเราเป็นนรกขึ้นมาเป็นอบายขึ้นมาเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานขึ้นมาใจของเราก็จะต้องไป ใช่บาปใช้กรรมก่อนจนกว่าบัญชีของบาปของกรรมนั้นเบาลงไปอ่อนกว่ากำลังของบัญชีบุญบัญชีบุญก็จะรากให้เรามารับผลบุญให้เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทพก่อนพอบัญชีบุญกับบัญชีบาปมีกำลังเท่ากัน เราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่แล้วพอตายไปก็จะไปไปนรกไปสวรรค์ใหม่ตามกำลังของบุญและบาป ท, ที่เราได้สะสมกันไว้ตราบใดที่ใจเรายังไม่ได้ชำระความโลภความโกรธ ค, ความหลง ท, ที่เป็นเครื่องจกัก ที่คอยผลักดันให้ใจของเราไปเกิดเราก็ต้องไปเกิดในโนโรกบ้างในสวรรค์บ้างสลับกันไปตามบุญและบาปที่เราได้ทํากันไว้ถ้าเราได้ทําบุญมากกว่าทําบาปเราก็จะได้สวรรค์แล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ได้มาสร้างบุญใหม่แล้วใจของเราก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆบาปก็จะแทบจะไม่ต้องไปใช้เพราะว่าเราทำน้อยมากหรือไม่ทำเลยทำแต่บุญไปเรื่อยๆเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างในแต่ละภพแต่ละชาติที่ได้ทรงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ทรงบำเพญบุญต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง เช่นทำบุญให้ทานรักษาสี่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาแผ่เมตตาให้แก่สัพพษสัพทั้งหลายมีแต่ความปรารถนาดีปรารถนาให้สัพพสัพทั้งหลายมีความสุขมีความจเจริญให้มีความแขวงแกรางปลอดภัย จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงการกระทำสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่จะทำให้ใจของเราไม่ต้องไปตกต่าไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในนรกในอบายทำให้เราได้ไปเกิดบนสวรรค์หรือไม่เช่นนั้นก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อเพื่อมาสร้างบุตรต่อ เพื่อมาชำระใจของเราให้สะาอาดบริสุทธิ์พอชำระใจได้สะาอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเพราะเครื่องจักรที่เป็นตัวส่งให้ใจของเราไปเกิดนั้นหยุดทางานแล้วเหมือนรถยนต์ที่ดับเครื่องแล้วไม่สามารถพาผู้โดยสารให้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆได้ ฉัน้นใดใจของเราก็จะหยุดการเวียนว่าตายเกิดในขณะที่เราได้ชำระใจของเราให้สะอาดโดยสุดแล้วนี่แหลเป็นงานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบงเพ็ญมาทุกภพทุกชาติเกิดมาก็ทำแต่บุญอย่างเดียวบาปนี้แทบจะไม่ได้ทำเลยหรือทำน้อยมาก จึงทําให้พระองค์ไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นเปร่บางครั้งถ้ามีผลของบาปก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างแต่ตั้งแต่ที่พระองค์ได้ตั้งจิตตั้งใจที่จะบำเพ็ญแต่บุญอย่างเดียวเพื่อความตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มเป็นพระโพธิสัตว์ พระองค์ก็จะไม่ทำบาปมีแต่ทำบุญไปอย่างเดียวทำบารมีทั้งสิทธิ์ให้สมบูรณ์ mm hmm. พอมาถึงชาติสุดท้ายได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ได้ทรงออกผนวดและได้ทรงบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอยู่หกปีด้วยกันจนในที่สุดก็สามารถชำระความโลภความโกรธความหลง ให้หมดไปจากพระไทยของพระ อ, องค์ญาตพระ อ, องค์จึงไม่ต้องกลับไปเกิดอีกต่อไปบุญทั้งหลายที่พระ อ, องค์ได้ทำมานี้ได้พาให้พระ อ, องค์ได้ถึงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปถึงพระนิพพานคือสภาพจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยความสุข ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาผสมประสารเป็นความสุขร้อยเปอร์เซ็นเรียกว่าปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังผลที่เกิดจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาสีง ด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจบกงด้วยการฟังเทศฟังธรรมอย่างต่อเ น, นื่องเพราะการฟังเทศนี้เป็นการศึกษาวิธีการหรือแผนที่ที่จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันถ้าเราไม่ศึกษาแผนที่แล้วไม่รู้จักทางเราก็จะหลงทางได้ เช่นถ้าจะเดินทางมาที่วัดนี้ถ้าไม่เคยมาเลยถ้าไม่ถามทางหรือศึกษาแผนที่ไว้ก่อนก็จะไม่สามารถมาถึงที่วัดนี้ได้เพราะว่าไม่เคยมานั่นเองฉันใดพระนิพพานคือสภาพของจิตที่มีแต่ความสุขจิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้น ถ้าพวกเราไม่ศึกษาไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทำจิตใจของเราให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวได้เราต้องอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถศึกษาหาทางได้ด้วยพระองค์เองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้มาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายพวกเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลย เพราะพวกเราไม่มีความสามารถไม่มีสติปัญญาพอที่จะรู้จักทางที่จะพาให้เราหลุดพ้นไปได้ขนาดมีผู้มาบอกทางแล้วพวกเรายังไม่มีกำลังพอที่จะปฏิบัติตามได้เลยอย่างนั้นพวกเราถ้าอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริง อยากจะรุหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มารุมเล่าจิตใจของเราอยู่แทบทุกวันพวกเราก็ต้องมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระองค์ทรงสั่งสอนให้เรามีความขยันหมั่นเพียรตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ ทที่ทรงสอนให้เราปฏิบัติเพื่อที่พวกเราจะได้มีกำลังที่จะก้าวไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายดังนั้นเบื้องต้นเราต้องเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นความจริงว่าตายไปแล้วต้องไปเกิดใหม่ ต้องไปเกิดที่สูงบ้างที่ต่ำบ้างไปที่สวรรค์บ้างไปที่นรกบ้างขึ้นอยู่กับบุญและบาป ท, ที่ได้ทำเอาไว้ถ้าไม่อยากไปนรกไม่อยากไปอบายก็อย่าไปทำบาปให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการรักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี ละเว้นจากการพูดปดุละเว้นจากการเสพสุรายามาถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะไม่ทำบาปและเราก็จะได้ไม่ต้องไปใช้บาปในอบายถ้าเราทำแต่บุญอย่างเดียวเช่นทำทานนำกับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานมา ถวายพระภิกษุสา ม, มเณรหรือจะเอาไปสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากก็ได้ผู้ที่ประสบกับอุทกภัยกับภัยต่างๆถ้าเราสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยปัจจัยเงินทองเข้าของของเราเราก็จะได้บุญได้กุศลจิตใจของเราก็จะมีความสุขในปัจจุบัน แล้วตายไปใจของเราก็จะได้ไปสว่างถ้าเราทำอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆจึงขอให้เราพยายามทำให้มากๆสิ่งที่พูะเจ้าทรงสอนว่าจำเป็นอย่างมากต่อการทำความดีต่อการละ บ, บาปต่อการทำรักใจให้สะอาดก็คือสติ เราต้องมีสติเราถึงจะสามารถทำบุญได้ละ บ, บากได้ชำระใจของเราให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ได้ถ้าเราขาดสติไม่มีสติเราจะไม่สามารถทำได้เช่นคนที่เมาสุราอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ขาดสติจะไม่สามารถทำบุญได้ จะไม่สามารถละเว้นจากการทำบาปได้จะไม่สามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้หรือคนที่เสียสติที่เราเรียกว่าคนบ้าก็เช่นเดียวกันคนบ้า น, นี้ก็คือคนเสียสติหรือไม่มีสติพอที่จะประคับประคองใจของเขาให้คิดดีพูดดีทำดีได้ไม่ให้คิดบาป พูดบาปทำบาปได้เขาถึงมักจะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไปทำบาปไปพูดบาปเพราะไม่มีสติคอยประครับประคองจิตใจคอยระ ง, งับใจไม่ให้ไปพูดหรือทำบาปไม่สามารถประครับประคองใจให้พูดและทาดุได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้อง มีให้ได้ในเบื้องต้นก็คือสติถ้าเรามีสติแล้วเราก็จะสามารถควบคุมใจของเราเวลาใจของเราคิดไม่ดีคิดอยากจะทําบาปเราก็จะรู้ทันทีแล้วเราก็จะระงับความคิดนั้นได้เวลาที่ใจเราคิดจะทําบุญเราก็จะรู้แล้วเราก็จะส่งเสริมทันที พาคิดจะทำบุญก็สั่งให้ไปทำเลยอย่ารอวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้นี่ไม่แน่นอนเราอาจจะไม่ว่าหรืออาจจะไม่มีปัจจัยเงินทองที่จะทำได้หรือเราอาจจะตายไปก่อนก็ได้ดังนั้นใดเวลาใดที่เราคิดอยากจะทำความดีขอให้เรารีบท ำ, ท, ำทันทีอย่ารอให้เวลาผ่านไป ไม่มีอะไรที่สำคัญกว่าการทำบุญสมมติเราคิดจะทำบุญแล้วพอดีมีธุระอย่างอื่นมามาเรียกไปเราก็อยากไปเราต้องรีบทำบุญก่อนเพราะบุญนี้สำคัญกว่าธุระอย่างอื่นเพราะบุญนี้เราเอาติดตัวไปได้บุญเป็นตัวเป็นสิ่งที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขไปสู่สวรรค์ แต่ธุระอย่างอื่นหรือผลที่เราได้รับจากการทำธุระอย่างอื่นเช่นได้เงินทองมาหรือได้ไปเที่ยวแล้วได้ความสุขมาความสุขและเงินทองเหล่านี้จะไม่ไปกับใจของเราเวลาตายไปเขาจะไม่สามารถส่งใจของเราให้ไปสวรรค์ได้ดังนั้นในเวลาใดถ้าเรามีความรู้สึกอยากจะทำบุญ ก็ขอให้เรารีบทำทันทีอย่าปล่อยให้ธุระอย่างอื่นเรื่องอย่างอื่นมาขัดขวางเพราะว่าไม่เช่นนั้นอาจจะไม่ได้ทำเช่นเดียวกับการละบาปก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้ว่าเรากำลังทำบาปเราก็ควรจะเลิก ท, ทันทีอย่าให้มีข้อแก้ตัวว่ายังทำไม่ได้ ยังต้องทำมาหากินเช่นคนที่ทำมาหากินนี้มักจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าไม่พูดผลแล้วรู้สึกว่าจะขายของไม่ได้เวลาคนาคนถามราคาจะบอกราคาจริงๆไปก็ไม่ได้ต้องบอกราคาไม่จริงไปเพื่อจะได้ลดให้เขาถ้าไม่ถ้าบอกราคาจริงแล้วไม่ลดให้เขา ก็กลัวว่าจะขายไม่ได้ก็เลยต้องพูดปทอย่าไปให้ผลประโยชน์ทางการเงินนี้มาเป็นเครื่องขัดขวางในการทำบาปเพราะมันไม่คุ้มกันเราได้เงินแต่เงินไม่สามารถห้ามไม่ให้ใจเราไปตกนรกได้ห้ามไม่ให้ใจเราไปเกิดในอบายได้แต่การไม่ทำบาปนี้เท่านั้น ที่จะห้ามไม่ให้ใจเราต้องไปตกนรกต้องไปเกิดในอบายได้ดังนั้นขอให้เราเห็นคุณค่าของการไม่ทำบาปคือการรักษาศีล น, นี้ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าลาบยศสารเสริญสุขต่างๆเพราะลาบยศสารเสริญสุขไม่สามารถป้องกันใจของเราให้ไปไม่ให้ไปเกิดในอบายได้ แต่การรักษาศีลห้านี้จะป้องกันไม่ให้ใจของเราต้องไปเกิดในอบายได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของศีลธรรมยิ่งกว่าคุณค่าของลาภยศสารเสริมสุขต่างๆในโลกนี้ถ้าเราไม่ไม่คิดถึงอนาคตที่จะเกิดตามมาถ้าเราไม่รู้ว่า เราทำบาปแล้วเราต้องไปใช้บาปหรือเราไม่เชื่อเราก็จะต้องไปใช้กรรมต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อทำไปแล้วก็มาล้างไม่ได้จะมาขอโทษมาขอคมาลาโทษก็ไม่ได้คือบาปนี้เราล้างไม่ได้แต่เวนคือการจองเวนนี้อาจจะระงับได้ ถ้าเราไปขอขมาลาโทษต่อผู้ที่เราทำร้ายครับเช่นเราไปทำร้ายผู้อื่นแล้วเราไปขอขมาลาโทษถ้าเขามีจิตใจที่สูงเขาก็จะให้อภัยไม่จองอเวรเช่นพระพุทธเจ้าที่ไม่ทรงจองเวรต่อพระเทวทัตที่พยายามปรองพชนถึงสามครั้งด้วยกัน แต่บาปที่พระเทวทัตได้ทำต่อพระพุทธเจ้านี้ลั ง, งับไม่ได้ห้ามไม่ได้ถึงแม้พระพุทธเจ้าไม่จองเวจองกรรมต่อพระเทวทัตแต่บาปที่พระเทวทัตได้สร้างไว้ก็ต้องมีผลคือพอพระพระเทวทัตาตายไปก็ต้องไปตกนนรกอเวจีทันที จนกว่าจะใช้บาปนั่นหมดแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นละได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระประเจกกับพระพุทธเจ้าต่อไปนี่ก็สแสดงให้เห็นอย่างชัดว่าบัญชีของบุญและบัญชีของบาปนี้ไม่เกี่ยวกันไม่ลบล้างกันบัญชีบาปก็มีผลบัญชีบุญก็มีผลพอเราใช้บัญชี ของบาปหมดแล้วเราก็มารับผลของบัญชีบุญต่อเช่นพระเทวทัตหลังจากที่ได้ใช้กรรมในนรกหมดแล้วก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาตัดสรู้เป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าต่อไปเพราะพระเทวทัตก็ได้บวชเป็นพระอยู่หลายปีได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมได้อิททิจฉาแต่ยังขาดปัญญา ที่จะทำให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องกลับมาปฏิบัติต่อมาเจริญปัญญาจนในที่สุดก็จะได้บรรลุเป็นภรปฏิเจกาพระพุทธเจ้าต่อไปดังนั้นอย่าไปคิดว่าเราทาบาปแล้วเราจะล้างบาปได้ด้วยการมาทำบุญเราล้างไม่ได้บุญก็เรื่องของบุญบาปก็เรื่องของบาปแต่บุญนี้จะทำ จะช่วยให้เรารับกับผลของบาปได้อย่างไม่สะทกสะทานเพราะบุญนี้จะเป็นเหมือนกับฟูกหนหนาที่เวลาเราตกจากที่สูงลงมาถ้าเรามีฟูกหนาๆรองรับอยู่เราก็จะไม่เจ็บฉันใดบุญที่เราสร้างกันนี้ถ้าเรามีบุญมากเช่นถ้าเราได้เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ เวลาที่มีผลของบาปมาเกิดขึ้นกับเราใจของเราจะไม่ไหวั่นไหวเช่นพระโมกกาลานะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านมีอิทธิฤทธิ์แต่เมื่อถึงกาลที่ท่านจะต้องถูกเขาฆ่าตายใจของท่านก็ไม่ไหวั่นไหวไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่ทรมานใจใจของท่านรู้สึกเฉย เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าใจของท่านนี้มีบุญปกป้องคุ้มครองรักษาเป็นเหมือนฟูกที่จะรองรับความทุกข์ที่เกิดจากความตายนี้เองพระอรลันทุกลื่ถึงตายได้อย่างสบายไม่รู้สึกวิตกกังวลเดือดร้อนวุ่นวายแต่อย่างใดเพราะใจของท่านมีบุญรักษา มีบุญรองรับไว้นั่นเองแต่ใจของพวกเรานี้ยัง ม, มีบุญไม่มากพอเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่เราตายนี้จะทุกข์ทรมานใจมากเพราะเรายังไม่ได้สร้างบุญเท่ากับพระอาหารหันต์นั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากที่จะมีบอกรองรับผลของบาป ท, ที่เราทํากัน เราก็ต้องสร้างบุญให้มากเมื่อถึงเวลาที่เกิดเคราะห์ภัยต่างๆกับเราใจของเราจะได้ไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์ทรมานนี่คือเรื่องของบุญและบาปและการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นงานที่พวกเราทั้งหลายต้องทำกันถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ถ้าอยากจะพบกับความสุขที่ถาวรถ้าอยากจะไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพราดจากสิ่งต่างๆเราก็ต้องทำงานทั้งสามส่วนนี้ให้ครบถ้วนให้เต็มที่คือต้องทำบุญละบาปแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิ แะเจริญปัญญาถ้าไม่ทําอย่างนี้เราก็ยังไม่สามารถทําใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราจะไม่สามารถป้องกันใจของเราให้ไปเกิดในอบ า, ายได้เราจะไม่สามารถไปสวรรค์ได้หลังจากที่เราตายไปแล้วแต่ถ้าเราทําได้ทั้งสามส่วนนี้เราก็จะได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้ายังไม่หลุดเราก็จะไปสวรรค์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทำงานนี้ต่อไปจนกว่าที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือ <c oughs> สิ่งที่พวกเราต้องมีศรัทธามีความเชื่อและพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วประโยชน์สุขที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากันก็จะเป็นผลที่ตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุมพระศีรัะตาไตรยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพ็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ แควคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ